เขรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่28โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่15สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าธรรม ท, ทวนกละแสโลกเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่อง ที่จาเป็นสำคัญยางมากสำหรับผู้ไฟความรู้หาทางพ้นทุกข์หรือว่าหาทางสวรรค์นิผพานของตนเองต้องไฟในการศึกษาขั้นจะบ่ได้ศึกษาจะไปฮู้เองได้จังหดฮู้ก็ฮู้แบบงูปล า, ปาเขาเบาจะได้กับล่มพัดใหม่จังไดก็อวยไปนําทจังสันะเพราะนั้น พนักงาการศึกษาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากในรักทรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราสุดตรรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตารมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งนี่แหละ อันนี้คือการแต่เงีนได้ฟัง่งเป็นหัวใจของการศึกษาหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาขวายใดขั้นเขาบประเด็นเงี้ยแต่ฟั่งในเข้าจึงหูใดทังไห น, นสุดตะไมยะปัญญาภาวนามยปัญญาและจินตามะยะปัญญาภาวนามยปัญญานะีปัญญาจะเกิดคือมาใดก็ต้องอาศัยการได้เงีนได้ฟัง่งเมืดด่อแต่เงี้ยแตฟั่งแล้วต้องเอาบ้าไข่ข้รพบทวนไตรตรองเหตุและผล จากนั้นก็นั่งภาวนากั้นกองอีกที่หนึ่งภาวนาวมตปัญญาไงนะั่งภาวนาทําจิตใจให้สกนส์สกปริจะเอามากกั้นกองอีกอันนั้นเป็นว่า อ, อจะเกิดปัญญาขึ้นย่างรอบข้อพรบพูดได้บริอาจในสงแห่งการฟังธรรมอีกนะลองลงมาอีกผู้ฟังธรรมจมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังะ สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแอบบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสนี่แหละอันนี้คือพวกเฮาพ่อแม่คู่บา่าจานเฮาพคนู่ต้องได้รับการศึกษาได้การได้ยินได้ฟังอย่างพระพุทธเจ้าเพื่อนตนศาสนาตนพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจา้าได้ตัดสรุปโค่นตนโพ่อนะนางอยู่ภาวนาอยู่โค่นตนโพ่วันเดือนหกเพนได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะเพิ่มขึมากสวยวิมุตติสุขในการสําเร็จของเพลินเพินทบท่วนไครกวนทบทวนเบงิงอยู่ตนโพ่อเจ็ดมืออยู่ตนเกตเจ็มือสามุตเจลินเจ็มืออยู่ตนนิโคตตนให้เจ็ดมือประยชน เฉลวิมุติสุกพ่อสุดท้ายคนก็บอกเอ๊ะถ้ำของเราที่ไต้ทัศน์ู่นี่มันโมเมนมันท่วนกระแสกับเรื่องของโลกขั้นเฮาเฮาสิไปสอนสิข้นสิฟัง่งบ่พอพูดถึงเอดคนเอ่ลาบากพระไถ่ขนาดนั้นแล้วนะไปท่อพระไถ่ลำบากพระไถ่ท่อพระไถ่ในการที่จะแสดงท่อใจคนไปท่อใจที่จะแสดงถ้ำ พอมนุษย์ของห่อนมันไหลไปไหลไปตามน้ำแต่ถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยมั่นทั่วนมม้ำนะไปทั่วน้ำก็คืออย่างโลกของห่วนเสียงทั้งหลายร่างกายสังขารเป็นของเช็ดสวยงดงามน่ารักใคร่ชอบใจแต่ถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นว่าร่างกายของห่อนเป็นอสุภะปฏิกูดเนาอบ่เม็นของสวยสุดงดงามนะให้แยกส่วนแบ่งส่วนโมโน ผมขนเล็บฟันนางเหนื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใส่ใยอาหารไม่อาหารเก่าถอดออกมาเป็นกองๆหรือเป็นในชินในชินนู้ น, นมนง่ามบอไงให้เบิงตามความเป็นจริงวนมันง่ามบอหลังกายของเฮ้าไงอันนี้คือคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นท่วนกระแสได้เป็นแยกแยกชินนวลไปแต่พวกเฮ้าในร่วมชินเห็นผูดผาดเช็ดสวยงดงามกิเลสเกิดและราคาโทษสัโมหะก็เกิดขึ้นมา่ดใด น, น, น, นี่แหละ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัสรูรเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นเพิ่งก็ได้เพิ่นได้แต่เออเฮาก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เฮาก็เป็นมนุษย์เฮาก็ได้รับการศึกษาขั้นเฮาเอ า, เอาความจริงไปโพดเนี่ยคงจะมีผู้ใดคงเขาก็คงจะหูดได้คือกันนั่นแหละมาจากเพิ่งก็เลยดนดันไปโปรดปัญจวัคคีย์ตั้งหา เออเอาถ้ำข้าสอนนไปเบอกปัญจวัคคีย์ทั้งหาก็ฟังวันนึงศึกษาวันไปตาอกกัางใจฟังฮะทีแรกฟังทีแรกก็บอกเข้าใจได้หันหลังหามันไปเออหาว่าพระพุทธเจ้านี่ยบ่ได้ทำเลยดอกมากับบ้านสั้นละ่ะพระพุทธเจ้ากลัวจะเกลียกอให้ฟังโกนธัญญาเออปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเธอต้องจงตั้งใจฟังฮะจงตั้งใจฟังทำของเราเราได้ตัดสรู้แล้วนะ เราได้ทำมาแล้วจะมาบอกกล่าวให้แก่พวกท่านพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังบอกเราก็ยัง่งช่ยมันไปจนพระพุทธเจ้าได้ทุบทวนว่าปันจะวะ่าคีทั้งห้าคำนี้นะคาที่บอกว่าตั้งใจฟังเนี่ยพวกเธอเคยได้ยินไหมแต่ก่อนก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมได้ยินไหมว่าจงจงตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังอย่างนี้เคยได้ยินไหมแต่ก่อน ปัญจวัคคีย์ตั้งหากอะไรโง่องเออแมนอีร่าบุกเคยได้ยินอิริคำเลยก็เลยหันหนามากตั้งใจฟัง่งพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเมาให้ฟัง่งเทศให้ฟัง่งธรรมจักกัปวัตนสูตรนะที่เป็นสูตรแร ก, กเลยว่าโ น, นไปปัญจวัคคีย์ตั้งหากตั้งใจฟัง่งผลที่สุดก็ได้พระอัญญาโขนทัานยากไ ด, ได้สําเร็จตสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาดา พ่อพระญาโกนทยาได้นยิ่งจุดนี่เห็นอันิีจังเลยวัน่ะของบอเทียงจากนั้นเพื่อนก็ได้สําเร็จพระสูดาบันในขณะที่ฟังธถ้ำของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกจากนั้นจ้าได้ขอบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระองค์ก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ประกาศพระศาสนาประกาศถ้ำขั้มสอนออกมาเลยเลยเลยไปบอกไปเกางัดง้มเพื่อก็ตั้งอกตั้งใจฟังฟังถ้ำขั้มสอนของพระพุทธเจ้า ก็ได้ชําเร็จมากสําเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลมากไม้ในยุคสมัยนั้นเพราะนั้นเรื่องการได้ยืน่นได้ฟังในการศึกษาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพานักคอให้พวกเข้าคณะจะท่ายาดย่อมทุกๆท่านนะเน้อให้ศึกษาให้ไฟในการศึกษาให้ฟังฟังเทศลงปูเลสบังฟังเทศลงปูเทศบังฟังเทศลงตามหาบัวบังเ อ, อแล้วก็อ่านหนังสือบังเพื่อศึกษา ศึกษาหลา่ขัง้งต่อไลายหนหล่ขั้งหลายข้าวเข่าใจขั้งนั้นแน่เข่าใจขั้งนี่แน่พระนิสุดก็พอกพูนกันพระนิสุดก็เข่าใจในเรือพุทธศาสนาจุดใจใจความของพพุทธศาสนานเพื่อนเน้นนักเรื่องหยั่งเฮ้เข้าก็จะู่หงจักแยกแยกและแยกแยก แ, ยกแบบใดเข้าก็จะู่หงจักกีดสำหรับคนเข้าสอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าสอนให้ท่านเนะ้อ เออหาท่านคนเท่าจะอยู่น้ำกันใดต้องมีการเสียสะละถ้าว่าคนอยู่น้ำกันว่ามีการเสียสะละว่มีการหาท่านโลกทั้งโลกอยู่น้ำกันอยู่อะไรเนี้ยคอต้องมีเสียสะละพ่อแม่ก็เสียสะละให้ลูกเออเกิดลูกเกิดมากก็ต้องเสียสะละหมดทุกอย่างให้ลูกเข่าน้าผู้ชนาอาหาร อ, อความลูกความฉลาดพ่อแม่ออมอบหมายให้ลูกต่อมาลูกได้รับ พ่อแม่แน่นับแนะนํสาสั่งสอนอต่ต่อมาพ่อแม่แกเถ่าะราบลูกก็ต้องสงคออนุเคาอพ่อแม่อีกให้ท่านพ่อแม่อีกขึ้นกันเสียสละนี่แหละจากนั้นคู่บาอาจารย์พระสงฆ์พ้นก็แนะนําคําำสอนให้พวกเข้าได้ยินได้ฟังอีกบาป จ, างจังสันนับุตรจังสีนักขุนจังสันนัโทษจังสีนักนรกสวรรค์ตายแล้ววสูดตายแล้วเกิดอีกเนาะอันนี้เพ้นก็นสอนให้พวกเข้าอันนี้แปลว่าทำมาท่าน อามิสธาท่านก็แบบคือให้เขาให้ท่านโภชนะอาหารวิทยาท่านก็แบบคือการให้ความรู้ความฉลาดวิชาอาชีพที่ตัวเองรู้แล้วก็แนะนําสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ไปด้วยฮะยังเข้ากีดย่างเป็นนึงสีแล้วเขาก็บอกเออ ส, สอนวิธีกีดย่างให้ผู้อื่นไงอันนี้เป็นวิวทยาท่านฮะเวลาเห็ดให้เขาโพดปลูกเขาดำหน้านี่เซ้อมรถซ้อมราบเ่ย อันนีเป็นวิทยาท่านไอ้แก่ขู่แก่ขน้นนี่แหละอันนี้คือมนุษย์จะอยู่นํากันได้ต้องมีน้าใจต้องมีการเสียสละต่อกันนี่แหละอันนี้คือการเป็นอยูแต่กดระเบียบก็คือศีลสาหรับญาติโยมคือศีลหาอศีลหาพราะห้องได้ยินเท่าก็บตื่นขึ้นว่าหรือเปล่าเอ้ยใครจะไปรักษาใดรักษาสิทธิแต่ตามไม่จริงศีลหานั่น เอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาว่าไม่นวอื่นหรม่คันว่าเฮาไปคาเขาคาพ่อคาแม่คาลูกคาเนี่ยคาพ่อขสาคณาญาติของเขาเน่ะเขามีความรลุดซึกงอย่างไรเฮาโบหู่ว่าเฮาไปคาเขาแต่เมื่อเขาเมื่าไหนมาเขามาคาเฮาน่ะคาพ่อแม่พี่น้องปุญญาตาย่ายเฮาเฮาหู้ซึกเลยวปะโอโหถูกใจขนาดนี้นะที่เขามาคาเฮาเนี่ย แปลว่ามันทุกข์ใจแปลว่าการเป็นการเหยียบย่ํายิดใจซึ่งกันและกันเพราะฉนั้นเห่าบกค้อจะไปข่าผู้อืน่นผู้อื่นกันบบควรจะมามาข่าเห่าข้อนจะมีศีลเคารพในศีล น, นี่แหละอาเทิหน้าท่านคือกันเห่าไปขโมยผู้อืน่นผู้อื่นมาขโมยของเห่ากาเมสุมิตรสาจารย์คือกันเห่าไปประพฤติลาลาปลารวงสามีภรรยาผู้อืน่นผู้อื่นก็นคือกันว่าลาลาปลารวงสามีภรรยาของเห่า เข้าก็เสียใจถูกหลานของเขา้าฮะอันในมุสาคือกันขี่ตัวพกกล้องขี้ตัวโกหกเอาของไปหลอกลวงผู้อื่นเขาเขาก็เสียใจเมื่อเขามาโกหกเขา้าเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันนี่ยขอที่หาดื่มสุราเข้ากินกินเหลา้าเมายาเข้าไปมันเมาพมาราะเมาแล้วขาดสติเพราะขาดสติด่าใพ่ก็ะดรคาใพ่กระ ไ, ไรเตะตีะเพ่ก็ะไรเนีพราเห็ุใดเพราะคนเมาขาดสติ ก็คนมีอารมณ์โมโหโโสอยู่แล้วกินเหล่าก็ไปย่อมใจก็ไปทําความชั่วได้ทุกอย่างนะเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าศีลหานเพลินว่าเฮาหู้อยู่แล้วไปดื่มสุรามันก็ต้องเมาเ ม, าเมาก็ไปแล้วมันก็เห็ดมันขาดจติติขาดจิติทําความชั่วเสียหายได้ถ้าเฮาไปข่าผู้อื่นเขาล่ะอไปขโมยผู้อื่นเขาล่ะบอกรบให้สามีภรรยาผู้อื่นเขาล่ะกี่ตัวเขาล่ะฮะ สรุลแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาให้เคารพสิทธซึ่งกันและกันอย่าไปเหตุในสิ่งที่มั่นบมทุกต้องนี่แหละสิ น, นี่มันไม่ได้อยู่ในใจสินอยู่กับพวกเฮาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในความประพฤติสิลนี่สูงข้นจะให้ไปเป็นผู้รักษาแต่สินเป็นานาทีของพวกเฮาทุกคนจะต้องรักษาเนี่ยนี่แห็ะคือท่านศินภาวนาบัณฑ์ภาวนาในนึกคิดยังไง จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดแบบนึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดจยางนึงเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าเหตุอย่างไรจึงจเป็นสัมมาทิฏฐิเน่ยเราต้องอาศัยละกข่ำข่ำสอนของพระพุทธเจ้านะมาเป็นแบบมาเป็นตัวอย่างแล้วต่ศึกษาเนี่ยเพราะฉนั้นลุงพอจึงว่าพวกเข้าจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อเข้าเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเข้าจะห่้ได้แล้วบัดเนี่เขาศึกษาเลยนะเนี่ยเข้าหัวใจเลยเรื่องศีลเรื่องธรรมไปยังไง เรื่องศีลเป็นในเรื่องท่านไป็นในเรื่องสมาธิมีคุณค่าจังไงมานในเรื่องศึกษาเรื่องนี่แหละเรื่องสมาธิปัญญานี่ที่จะถอนถอนกิเลสออกจากโลกโกดลงออกจากโลกวัตะรสรงสารต้องอาศัยการศึกษาเนี่ยอย่าลงพอแจกหนังสีหยดน้ําบนใบบัวคลองลงตาให้พระลูกพันหลานไปอ่านไปศึกษาเนี่ยดวงตาเป็นภาวนาจังไงเพื่อเห็ุจังไงเพื่อปฏิบัติตนจังไง เพิ่งจะผลทุกในวัตฏะสงสารเพิ่นเขียนไหวเนี่ยยศนามบทไปบวคือปฏิปทาของเพิ่นไหวทั้งหมดวันนั้นเขาต้องอ่านเขาต้องศึกษาในเมื่อเขาอ่านเขาศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าจจใจของเฮาเฮาก็จะได้ไปยังที่เพิ่นภาพเป็ี่ยนภาไปเพิ่นภาเปลี่ยนเพิ่นเพิ่นเป็นไปแล้วนะเพิ่นเป็นไปแล้วเพิ่นก็เขียนแผนทีให้เฮาศึกษานะวันนี้ขอให้พวกลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมทุกุทุกคนเนะ ย่าตั้งอยู่ในความประมาทสังสมบุญกุศลเอาไว้ตายลราบริสุท์ตายแล้วเกิดอีกอย่างพระพุทธเจ้าพระนิตตจลุนโะขนตนโพนภพเพเนี่ยว่าสานุสติญาณและลึกชาติทนหลั ง, ลงใจดจตุปปาตายานและลึกชาภัยเกิดมาเกิดมาจากไหนไปจางไหนหจตุปป า, าคือการเกิดการตายของสรรพสัตวนะ์อาสาวะขยะญาณญาณ ย, ยังลูกวา ชาตินี้เป็นชาติชุดไทยชิงไหนที่ผ้าให้เกิดคือกิเลสราคะโทษสัโมหะผ้าให้เกิดปัญเ็นอวิชชาปัจจะาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณะปฏิจจะสมุบาตเป็นหูวงล้วว่าต้นต่อแห่งการเกิดการตายมันหมกุนเวียนอยู่นี่แหละตัวอวิชชาผ้าเกิดผ้าตายเฮ้เพราะนั้นเพิ่นจังชําระรวยตปะฐรมคือศิ น, ส, นสมาติปัญญาเพิ่นรุดพลจากอาสวักิเลส เป็นอ ม, มตะถาดเป็นอ ม, มตะธร้ำ ห, หูจักด้วยพระองค์เองว่าตายแล้วเม่กเกิดอีกปาฏิ้นเข้าซูลในผ้านแล้วะสิ่งที่ให้เกิดชําระออกแล้วหมดแล้วนี่แหละนี่แหละพ่อแม่คู่บ่ายจาร์หลวงปูหลวงตาเห่าเป็นก็นได้สําเร็จมักสาเร็จผลอย่างทีหลวงปูพ่อแม่คู่จาร์หลวงปูหลวงตาเห่าได้สำเร็จอย่างทีพระพุทธเจ้าเพป่นในสอนไว้ทุกอย่าง เพราะเหตุใดพวาะเขาพิสูจน์ได้ว่ากระดูกหรืออธิษฐานของเพลนได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นนี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์เพราะนั้นขอให้พวกเขาทันทั้งหลายเนี่เกิดมาพบนิชาตินี่นับว่าโชคดีอย่างมากได้เกิดมาเลยก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ผู้บายจารเพลนได้แนะนําศีลและธรรมขอให้พวกเขาเดินตามเนี่แถวของพ่อแม่ผูบายจารพวกเขาประสบแต่ความสุขเออ ความเจริญอะในผลลัพธที่สุดจิตใจของห้องก็จะมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นสุกแสวงหาปัจจัยสี่ก็สแสวงหาสแสวงหาธร้ำบุญกุศลก็สแสวงหาอาหารทางกายผมอาหารทางใจผมอาหารทางร่างกายก็คือเงื่อนข้ามทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่นะอาหารกายส่วนอาหารใจก็เนี่มากจริงๆนะสแสวงบุญสแสวงกุศล เมือ่อใดยิด่งใดฟังเลยนําไปประพฤติปฏิบัติไหวพระรักษาสินนั่งสมาธิภาวนาทําจิตใจให้สงบเลยอาหารใจอาหารกายก็อย่างหนึ่งอาหารใจก็อย่างหนึ่งอยาง่ยาให้ขาดนะอาหารกายก็อย่าให้ขาดอย่าให้ขาดตกปกพ่องส่วนอาหารใจก็อย่าให้ขาดตกปกวงไปด้วยกันพวกเขามีแต่ความสุขแล้วทีนี้มีแต่เล็งแต่หาวัตถุอย่างเดียวะขาดอาหารทังด้านจิตใจกับวถีได้มีแต่ขันว่า อยากสามารถส่อแสวงหาทางด้านจิตใจอย่างเดียวให้บวชนะเขามาบวชเถิดฮะนี่จะบวชพระสวดมนต์านางพวนาตัดเมตถกิเลส ท, ทั้งโลกมาบวตตองห่วงหาอาไลามันตัดกิเลส ท, ทั้งโลกเขามาเป็นนักพจนักปวดเป็นชี้เป็นพรนะเนี่ยนี่แหละแปลว่าเขามาส่อแสวงหาอาหารทั้งใจโดยตรงนะหันว่าเขาอยู่ทั้งโลกมันก็ต้องเอาทั้งสองอย่างนั่นแหนะนะอาหารกายอาหารใจไปพร้อมกัน วันขอให้พวกเขานะอย่าให้ขาดตกปกค้องทั้งสองย่างนั่นั่ะข้เาจะมีแต่ความสุขนะไม่แตาหารทั้งกายอย่างเดียวก็ถถกได้การพูดกันแน่ว แ, แ, แสดงถ้ำวันนี้ก็เห็นว่าสมควรนะขอจุติ่วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระรรำพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มค้องขอให้พวกเขาประสบแต่ความสุขความเย็นใจ ปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเถิด